ในช่วง3 4ี่พันปีที่ผ่านมาตมุฟังก็มีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งและจะ2กลุ่ม3กลุ่มที่พยายามที่จะขับดันความคิดแนวความคิดของตัวเองไปในทางที่คิดว่าอันนี้มันจะดีอันนี้มันจะได้อันนี้มันจะสําเร็จพยายามที่จะขับดันขับเคลื่อนไปในทางภาษาบาลีการขับดันการขับเคลื่อนการที่หมุนไปตรงนี้เขาใช้คําว่า วัดตาก็คือบางทีก็ใช้กำวัดตังบ้างวัดตะบ้างหมายถึงการหมุนไปกับดันไปกับเคลื่อนไปนนกับเคลื่อนองค์กรของตัวเองไปกับเคลื่อนความคิดหมูกก่คนณะของตัวเองไปพากันไปในทางที่ตัวเองคิดว่าจะไปได้จะไปดีไปตามกําลังความรู้ความสามารถของตัวเองเท่าที่มีแต่ความคิดความรู้ความพยายามนั้นก็ไม่ได้ไปถึงไหนเพราะว่าไม่สามารถที่จะนําพาให้พ้นออกจากความทุกข์ ไปถึงที่ที่มันจะดีมันจะได้ได้แต่ก็พยายามจะขับดันไปดันทุรังไปไม่รู้จักการที่จะปรับปรุงปฏิรูปเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ได้เท่าที่ได้มันก็ไปได้ไม่ถึงไหนทีนี้ในช่วง2600ปีที่ผ่านมาก็มีบุคคลบุคคลหนึ่งเห็นการที่พาดําเนินไปในทางนั้นการที่พยายามจะหมุนไปในทางนั้นมันไปไม่ได้ มันไปไม่ได้แล้วมันตันแล้วมันถึงทางตันเป็นทางที่ไปต่อไม่ได้ก็เลยมาทําการหมุนใหม่ปรับใหม่การหมุนใหม่การปรับใหม่นี่แหละเขาเรียกว่าปฏิวัติตะบูฟังวัตตาเป็นภาษาบาลีแปลว่าหมุนไปปฏิแปลว่าทวนกระแสทวนกลับหรือว่าปรับให้มไปอีกทางหนึ่งเพราะนั้นปฏิวัติเนี่ยก็คือการที่หมุนทวนให้มันไปอีกทางหนึ่ง เป็นทางที่จะไปสู่ทางออกได้นั่นคือการหมุนจักคือทำอันเปิดเสริฐอนุตรังธรรมจักรังปวัตติซึ่งจักคือทำมันเปิดเสริฐที่บุคคลที่มาหมุนนี้คนนี้ก็เป็นพระนามสกุลโคตมะชื่อว่าสินต ะ, ตะมาทำการปฏิวัติความรู้ที่จะทำให้พ้นออกจากทุกข์เมื่อ 2,600 ปีมาแล้วเป็นการที่ปรับให้ ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องหมุนไปสู่ทางที่มันจะพ้นไปจากจุกได้และการปฏิวัติการหมุนใบของท่านนี้ไม่มีใครที่จะมาคัดง้างได้มาปฏิวัติซ้ำได้มาหมุนกลับได้หมุนกลับคือการปฏิวัติซ้ำการที่หมุนไปทางอื่นไม่มีใครทำได้เพราะเป็นจักคือทำาม็นประเสริฐไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าการทาปฏิวัติในครั้งนั้น คือทำที่ป่าอีศิปัตนะเมรุกัตยวันหมุนจักรคือทำเป็นประเสริฐคือคําว่าจักรเนี่ยมาจากไหนในอย่างจากในราชวงศ์จักรีที่เขาใช้กันเป็นตราสัญลักษณ์เนี่ยจริงๆก็เป็นภาษาบาลีนี่แหละในที่พูดถึงความที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิแต่พระเจ้าจักรพรรดิก็ต้องมีการขับดันไปขับเคลื่อนไปขับเคลื่อนอะไรก็อาณาจักรของพระองค์ในอาณาจักรของพระองค์และมีพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้ที่หมุนไปขับเคลื่อนไป ขับเคลื่อนไปด้วยจักรนั่นเองการหมุนไปการขับเคลื่อนไปตรงนี้ก็ต้องอาศัยจักรคือทำเป็นประเสริฐแต่เป็นธรรมราชาเป็นราชาโดยธรรมขับเคลื่อนไปโดยธรรมการขับเคลื่อนไปการหมุนไปนี่คือวัตต์การที่หมุนไปในทางที่ถูกต้องเปลี่ยนจากทางอื่นที่มันจะเป็นทางตันไม่สามารถไปได้การขับดันไปในทิศทางที่ถูกต้องของโปร่งในกลางนั้นคือการปฏิวัติของโปร่งในกลางนั้นเนี่ยมีกระแส ต, ต่อต้านมากมาย เลืจากเราเดาลัทธิจากคนนั้นจากคนนี้จากผูด้ีด่ไม่เห็นด้วยแต่เพราะว่าคิดมาทา ง, งตัวเองนั้นถูกต้องคิดว่าทางของตัวเองที่ดันดุรังไปนั้นมันจะต้องไปได้แต่ไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นทางต่ําทางต่ำที่พระชา้าพูดถึงนี้คือสุดโต่งสองข้างคือการที่พวพันหมกมุ่นอยู่ในกามภาษาที่เขาใช้กันในสมัยนั้นคือการมัสสุขาริการนโยกอีกทางหนึ่งที่เป็นไปนในทางต่ํา ที่ไม่สามารถที่จะไปถึงไหนได้เป็นทางตันไปแล้วก็จะมีแต่ลงเหวลงเหวตามกันไปใหญ่นั่นก็คือการที่ทรมานตัวเองให้ลำบากหรืออัตตกิรมถานุโยคแต่พระเจ้ามาปรับใหม่มาหมุนใหม่มาปฏิวัติใหม่โดยการทำไปให้มันถูกทางขับดันไปให้มันถูกที่คนที่จะทำอย่างนี้ได้ขับดันไปได้พาอาณาจักรหมุนจักรด้วยธรรมนี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีเกียรติยศมีกำลังและการกระทำการหมุนไปในครั้งนั้นเป็นการที่หมุนแล้วทำให้หมุนกลับไปทางอื่นไม่ได้อะวัติตังต่มุวังคือหมุนกลับไปทางอื่นไม่ได้มาปฏิวัติซ้าไม่ได้คนที่มีความสามารถในระดับนี้มีความกล้าหาญมีเกียรติยศ คุณชาวใดเคยตรัสไว้ตรัสไว้สามเดือนก่อนการบรินิพานว่าศีล ส, สมาธิปัญญาและมิมุตอันไม่มีอะไรอื่นยิ่งไปกว่าเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระโคตมะผู้มีเกียรติยศได้รู้แล้วได้ถึงแล้วเพราะการที่บุคคลที่จะมาหมุนให้มันไปถูกทางได้ต้องมีเกียรติยศเกียรตในที่นี้ไม่ใช่ว่าคุณหนึ่งเขาเอาอมาให้ ไม่ช่ว่าคุณหนึ่งเขายกย่องแต่เป็นเกียรติที่เกิดจากการกระทําของตัวท่านเองนั่นคือเรื่องศีลสมาธิปัญญาและมิมุตมีเกียรติอย่างเดียวมันทําไม่ได้ท่านผู้ฟังคนที่จะมาหมุนไปให้ถูกทางต้องมีความกล้าด้วยคนที่จะมีความกล้าหาญในการทําอย่างนี้ได้กล้าหาญเข้มแข็งห้าหาญในการที่จะทําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกจากสิ่งที่มันจะลงต่ํา ให้มันขึ้นไปในทางสูงจากสิ่งที่มันจะไม่ดีให้ไปเป็นในทางดีจากสิ่งที่ผิดให้มันถูกความกล้าหาญตรงนี้คือกล้าที่จะทำคือกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงความกล้านี้คือความเพียรนั่นเองคือความตั้งใจทำคือการทำจริงแน่วแน่จริงเป็นคนจริงการทำจริงแน่วแน่จริงนี้คือเรื่องของความเปลี่ยนมีวิริยะคือความเปลี่ยนเป็นกำลังเป็นความกล้าเป็นความเข้มแข็งเป็นความห้าวหาญของท่าน คนที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องมีกําลังด้วยมีกําลังมีพลังกําลังพลังในที่นี้คือพละนั่นเองพละนี้ก็คือเรื่องของเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์ตัวท่านเองเป็นผู้ทีู่่รู้แล้วเห็นแล้วเห็นทางออกของปัญหาแล้วรู้แล้วว่าทางที่ถูกนั้นมันคืออะไรแต่ ร, รู้แล้วเห็นแล้วรู้วิธีการบอกต่อแล้วเอามาบอกต่อได้ด้วยกําลังที่มี เรื่องของเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์บุคคลที่มีความกล้าหาญห้าวหาญมีเกียรติยศมีกำลังเป็นผู้ที่สามารถที่จะขับดันไปนในทางที่ถูกได้สามารถที่จะปฏิวัติได้และเป็นการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่จะไม่มีคนอื่นมาทำปฏิวัติให้มันเปลี่ยนแปลงไปทางอื่นได้เพราะมันเป็นสิ่งที่ดีพุทธเจ้าใช้คาว่าจากังอปาติวัตติยัง คือจากที่ไม่สามารถหมุนกลับให้ไปทางอื่นได้ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆในโลกไม่สามารถหมุนให้ไปทางอื่นได้ไม่สามารถที่จะมาปฏิวัติซ้ำได้เพราะเป็นธรรมจักรเป็นจักคือทำอันบริสุทที่ไม่มีจักอื่นยิ่งไปกว่าการหมุนการขับดานการขับเคลื่อนของโรงในครั้งนั้นสะเทือนไปทั่วโลกาตาก ไม่ใช่เฉพาะในโลกมนุษย์นี้แต่สะเตือนเลื่อนลั่นไปถึงชั้นปฐมสะเตือนเลื่อนลั่นไปถึงสัตว์นรกคนที่ไม่ดีเขาก็รู้สึกสะเตือนไปด้วยด้วยความดีที่มันเกิดขึ้นคนที่ดีอยู่แล้วก็รู้สึกดีไปด้วยด้วยความดีที่มันมีอาศัยอำนาจอะไรอาศัยอำนาจอะไรในการที่บุคคล น, นี้จะมาสามารถทําการขับเคลื่อนขับดันไปในทางที่ถูกได้บางคนอาจจะคิดว่าคุณไม่มีอำนาจอะไรในการที่จะมาขับดัน นี่ไม่ใช่หน้าที่ของคุณและพระรูชาของเราทำโดยอาศัยความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีกําลังของโระงตรงนี้ไม่ใช่อํานาจแต่เป็นคุณสมบัติที่มีดังนั้นฉคิดว่าหัวหน้าหน่วยจะไปสั่งอธ่ปดมีมันไม่ได้มันไม่ใช่อํานาจมันสูงต่ำไม่เท่ากันแต่ว่าอาศัยอํานาจอะไรในการที่พระองค์นั้นสามารถขับเคลื่อนคําดันสิ่งเหล่านี้ไปได้อํานาจนั้นก็คือเพราะความที่แห่ง ธรรมะเป็นธรรมันดีเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์แห่งความที่ธรรมะเป็นสิ่งดีแต่บังเพราะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถ้าเมื่อปฏิบัติแล้วทำแล้วมันจะเป็นไปเพื่อความดีความงามทำแล้วปฏิบัติแล้วไอ้จากที่มันจะไปต่ำไปลงเหวกันน้งหมดเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาได้สัตว์โลกจะไปสู่ที่ต่ำแล้วก็ดึงขึ้นมาไปสู่ที่สูงอาศั ย, อ, ศยอำนาจประโยชน์แห่งความดีตรงนี้จึงตัดสินใจที่จะทำที่จะสอน ตอนนั้นอยู่ใต้ต้นไทรคิดแผนการเอาไว้อยู่ใต้ต้นไทรเป็นที่พักร้อนของเด็กเลี้ยงแพะคิดแผนการว่าเราจะสอนอย่างไรปรับปรุงอย่างไรหมุนไปในทางไหนก็ได้คิดถึงวิธีการกลยุทธ์ในการที่จะทำํำหาผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยซะก่อนผู้ที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยนี่ก็เป็นคนดีหมุนผิดมาก่อนไปในทางผิดมาก่อนแต่ยังมีความยินดีมีจิตน้อมไปในการที่จะแก้ไขรับผิดชอบจิตของตัวเอง คือบุคนเนี่ยนะตำรวจฟังนะไปผิดทางแล้วยังชักชวนคนอื่นไปทําชั่วด้วยชั่วตัวเองไม่พอยังชักชวนคนอื่นไปชั่วด้วยเนี่ยมันเป็นคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วแต่พนะูด ง, ง่ายคือโคตรของโคตรชั่วแต่มันเป็นคนชั่วอย่างนี้แล้วมันไม่รับผิดชอบตัวเองแต่พวกนี้ก็แก้ไขไม่ได้แต่ไม่มีคนที่ไม่ดีประเภทหนึ่งที่ว่า้อพอรู้ทางที่ถูกแล้วก็แก้ไขรู้ทางที่ถูกแล้วก็แก้ไขตัวเองปรับปรุงมีความรับผิดชอบรับผิดชอบด้วยการทําให้ถูก บุคคลประเภทนี้คือบุคคลที่มีทุลีในดวงตาแต่น้อยหาบุคคลประเภทนั้นก่อนได้เจอภิกษุทั้ง5รูปยังมีความรับผิดชอบในชีวิตของตัวเองมีความรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขจากสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกกันมาได้จึงสามารถที่จะหมุนกลับได้หมุนสิ่งที่มันไม่ถูกทําการปฏิวัติให้มันถูกให้มันดีและการหมุนใบกองพระองค์นั้นโดยวยสัยกําลังกําลังของพระพุทธเท่านั้น กำลังของพูดที่มีกําลังมีเกียรติมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีความกล้าหาญอย่างใช่ชาติอาชาไหนตอนนั้นที่จะทําสิ่งนี้ได้แล้วอย่างหนึ่งที่บุคคลที่สามารถทําการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงความคิดแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์ได้ถูกต้องแต่สิงนั้นจะต้องมีคือต้องมีสมัครผักปวกแต่เรากษัตริย์ที่เป็นเมืองออกที่จะมาคอยช่วยสนับสนุนนั่นคือธรรมะนั่นเองท่านบวชนะอาศัยอํานาจที่ตัวเองมีธรรมะ มีความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีอะไรคือสิ่งเหล่านั้นใน เ, เรื่องของสติปทานสีสมประทานสีอิทิบาทสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็ดมรรคมีองแปดพวกนี้เหมือนเหล่ากษัตริย์ที่จะเป็นผู้ที่มาช่วยพระเจ้าจักรพรรดิในการที่จะหมุนจากอันไม่มีจากอื่นยิ่งไปกว่าไปได้นั่นคือธรรมจักตะ บ, บูฟังเหล่านั้นคือธรรมะบุคคลที่เป็นธรรมราชาจะสามารถปกครองได้โดยธรรม ปกครองเหล่าบุคคลที่อยู่ในหัวเมืองในเมืองหลวงประชาชนเหล่าพราหมณ์ขณราบดีให้มีความสุขได้ให้อยู่ในธรรมได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่อาศัยธรรมะคือความที่ตัวเองนั้นเป็นธรรมราชาพระชาคือเหมือนกันอาศัยธรรมะเหล่านี้ธรรมะคือไล่มาตั้งแต่จนถึงมรรคแปดนี่หละปกครองโดยธรรม บอกภิกษุภิกษุณีอุบาสุบาสิกาบอกสาวกทั้งหลายในชี้แชงแถลงการสั่งสอนให้ทราบว่าสิ่งนี้สิ่งนี้ควรทำสิ่งนี้สิ่งนี้ไม่ควรทำกายกรรมวัจีกรรมมโนกรร ม, ม, รรมอย่างนี้ควรประพฤติอย่างนี้ไม่ควรประพฤติสถานที่นี้โคจรบ้านหมู่บ้านแบบนี้ควรเสภหมู่บ้าน ส, สถานที่ไปแบบนี้ไม่ควรไปไม่ควรเสภได้บอกอาไว้อย่างนี้เขาเรียกว่าคือการปกครองโดยธรรมไม่ได้ต้องใช้อาจฉรยะไม่ต้องใช้ศาสตร์ เพราะความที่แห่งธรรมะเป็นธรรมดีธรรมะสุธรรมะต่างนะบุฟังทําให้การหมุนครั้งนั้นเป็นการหมุนที่เรียกว่าจากกลางอัปติวัติยังคือไม่สามารถต้านทานให้หมุนกลับได้ไม่สามารถที่จะปฏิวัติให้เป็นไปนในทางอื่นได้เป็นสิ่งที่ทําแล้วทําเลยอํานาจพลังกําลังตรงนี้คือเรื่องของเริยสัตสีเวลาที่พระเจ้าหมุนไปประกาศไปแก้ไขไปให้ถูกทาง ทางนั้นคือเรียมาร์มีองแทางนั้นคือทางที่จะไปสู่นิโรธทางนั้นจะเป็นทางที่จะดับไปแห่งความทุกข์เป็นไปเพื่อความดับไม่เลือแห่งเจ้าธนาก็เรียก ส, สัตสี่นั่นเองผู้ชาได้เคยเปรียบเทียบเหมือนกับเสาหิน16ศอกยาว16ศอกเส้นผ่านศูนย์กลางหนึ่งซอกเป็นเสาหิ น, น, น, น, นทั้งแท่งเป็นแท่งทึบยาว16ศอกกว้างหนึ่งซอกฝังลงไปในดินอย่างดี ไม่ว่าลมหรือฝนจะพัดมาจากทางไหนไม่สามารถที่จะทําเสาหินนี้ให้สันสะท้านเสถเทือได้แต่ถ้าเราปรเปรียบเทียมกับวิธีการแบบอื่นที่มันจะไปไม่ได้มันเป็นทางตันมันเป็นทางที่จะไปลงสู่เหวเป็นทางที่คนที่ตะแบงก็จะทํากันคนที่ชั่วคนที่เป็นบาปจะพาดําเนินหันหมุนไปรนปริบเนี่ยมันเปรียบเหมือนกับปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายที่วางอยู่บนพื้นราบที่สม่าเสมอกิเลสตัณหามันพัดไปทางไหนมันก็พาไปทางนั้น ไปลงเหวตรงนั้นและบุคคลที่มีความหนักแน่นมีความห้าวหาญกล้าหาญมีชาติอาชาในมีเกยียรติยศมีกำลังมีพลังจะสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ต่อสู้กับเจ้ากิเลสประาณประหารกิเลสให้มันถึงความสิ้นไปได้กำลังพลังตรงนี้แหละคือเรื่องของเรีย ส, สสีที่บุรุชาของเราพาทําไว้ได้ทำเอาไว้ให้เห็นอยู่เป็นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะมาทวนกลับได้หมุนกลับได้ปฏิวัติกลับไม่ได้ เราใช้คำว่าจากกังอัปปติวัติยังไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นสมณพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครๆ ใ, ในโลกหมุนกลับไม่ได้ให้มุนไปในทางอื่นไม่ได้อริยสัจ ส, สีที่จะทําให้เราสามารถที่จะปราดปรานกิเลสความชั่วช้าหลามอกที่อยู่ในใจออกไปได้นั้นคือเรื่องของความทุกข์ตั้งแต่ังความทุกข์เป็นสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจกล้าไหมกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ไหมกล้าที่จะเผชิญหน้าเข้าใจความทุกข์หรือไม่ เรามีผู้นำนำไปแล้วมีผู้นำที่พาดำเนินไปถูกต่างแล้วแต่คุณจะเดินตามก็ไหมผู้นำกว่า น, นี้เป็นผู้ที่สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าฝึกบุรุษคือพาเดินไปนะพาเดินไปเราเป็นผู้ตามสาวบกนี่คือผู้เดินตามคุณเป็นผู้ น, นำคุณก็ต้องมีความเป็นผู้นำในการที่จะตามคนนำคนนั้นคุณที่จะมีความเป็นผู้นำพรที่จะตามก็ได้คุณจะมีความกลา้า ละไหมที่จะเผชิญหน้ากับความทุกข์ทำความเข้าใจความทุกข์ของตัวเราเองว่าความทุกข์ในกายของเรามันมีอะไรบ้างเกิดมันทุกข์ไหยแก่มันทุกข์ไหมเจ็บมันทุกข์หรือเปล่าเข้าใจหรือเปล่าทุกข์มันเกิดมาจากอะไรทุกข์มันเกิดมาจากตัณหาเลยเตมุฟังตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์อ่ะกล้าที่จะล้ะมันไหมหรือว่าให้มันมาข่มขีกดหัวเราอยู่ให้มันมาเผารนเราอยจิตใจของเราถูกเผาอยู่ด้วยกามก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าถูกเผาอยู่ ให้มันเผาทั้งเป็นเผาไหม่ไปความร้อนเกิดขึ้นเปลวไฟไม่เห็นนั่นคือเรื่องของตันหาตันหาเป็นสิ่งที่เราจะต้องลกแต่คุณมีความกล้าที่จะฟันมันออกไหมถ้ามีดทื่อๆฟันไม่ออกนะแต่ถ้าฟันออกมีดพอจะคมอยู่บ้างแต่ถ้าฟันไม่ถึงรากมันเดี๋ยวมันโตใหม่นะเราต้องทําความเข้าใจว่าไอ้ความดับไม่เหลือของทุกคือเจ้าความดับตันหามันมีอยู่คือความที่เราจะถอนรากถอนโคน ของสิ่งที่มันมีพิษของสิ่งที่มันเป็นความชั่วร้ายต้นไม้พี่แต่ท่านฟังรากของมันก็เป็นพิษตัวผลของมันก็เป็นพิษดอกมันก็เหม็นต้นมันก็ไม่น่าดูทําลายสิ่งต่างๆโดยรอบทั้งสิ้นจิตใจของเราถ้าเรามีตัณหามันโผล่ขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นที่ไหนมันจะทําความชิบหายให้กับสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราพบเห็นสิ่งนี้ก็ไม่ดีได้ยินสิ่งนั้นก็ไม่ชอบได้ลิ้มรสสิ่งนี้ก็ไม่ถูกใจกล้าในการที่จะจัดการเจ้าตัณหาให้ออกไปให้ได้ กล้าในการที่จะทําสิ่งใดสักสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเป็นเครื่องมืออุปรกรณ์ในการที่จะกําจัดเจ้าตัญหาเหล่านี้ฆ่ามันให้ได้วฆ่าอะไรได้อยู่เป็นสุขท่านผู้ฟังว่าพระเจ้าตอบไปแล้วฆ่ากิเลสได้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นสุขฆ่ามันสิกล้าที่จะฆ่ามันไหมวิธีการที่จะฆ่ามันจัด ก, การกับมันก็มีอยู่คือ ก, การเดินตามปริญญมาร์กมีองคมาร์กแปบดบนี่แหละเรากล้าทําหรือเปล่า ในขณะที่เราจะเสี่ยงต่อการผิดศีลคุณกล้าไหมาในการที่จะทําให้เราถูกศีลคุณกล้าไหมาในการที่จะพูดความจริงคุณกล้าไหมาในการที่จะมีความซื่อสัตย์ทั้งการพูดทั้งการทําคุณกล้าไหมาในความที่จะมีความเมตตาในคนที่เขาคิดว่าเขาจะแก้ไขในชีวิตของตัวเองพระเจ้าจึงไปหาบุคคลประเภทนี้บุคคลที่คิดว่าเออฉันดําเนิเนไปผิดแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในการที่จะแก้ไขชีวิตตัวเองทําให้ถูกมีความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไม่ดีให้มันดี เปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ชั่วให้มันกลายเป็นดีเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องการหมุนการพาดําเนินไปตรงนี้แต่ทัางฝังที่เป็นสิ่งที่สมณะโคดมที่มีความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าหาญระดับสัมมาสมัมพุทธเจ้าได้พาดําเนินไปได้พาหมุนมาแล้วพาปรับไปในทางที่ถูกแล้วปฏิวัติไม่เรียบร้อยแล้วเป็นการปฏิวัติชนิดที่ไม่มีใครสา ม, มารถที่จะหักล้างได้ สิ่งนี้เมื่อมันไปเรื่อยของมันมันอาจจะเสื่อมลงไปตามกาลเวลาการหมุนตรงนี้อาจจะหยุดลงได้พอมีความไม่ถูกต้องมีความชั่วช้ารามกเกิดขึ้นอีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีการหมุนใหม่อีกเดี๋ยวมันก็ต้องมีการกลับมาปฏิวัติอีกซึ่งบุคคลที่จะกลับมาปฏิวัติครั้งต่อไปนั่นก็คือพระศรีเรีย ม, ไมตไแในเมื่อ โ, โลกเนี่ยแย่ลงไปมากนถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่ามีสัตย์ฐานตะกรับเกิดขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามีสมณโคดม พุจ้าของเราองค์นี้เนี่ยมาทวนกระแสไปมาต้านกระแสงความชั่วช้าลามมโหกบัอะไรที่มันไม่ถูกพยายามปรับให้ถูกพยายามที่จะแก้ไขให้ถูกมันก็ยังมีการที่เสื่อมไปตกลงไปนถึงจุดที่ต่ำที่สุดนั่นคือสัตทธันตระกับถึงจุดนั้นแล้วมันก็จะค่อยดีขึ้นปรับปรุงให้ดีขึ้นจนมีบุคคลที่จะมาหมุนแก้ปรับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ถูกอีกครั้งหนึ่งนั่นคือพระพุจ้าที่ชื่อว่าเมตยาแต่เราไม่ต้องรอถึงจุดนั้นเราต้างผูกฝัง ถ้าเราเป็นผู้ที่มีธุลนในดวงตาแต่น้อยยังมีอยู่ยังเป็นผู้ที่รู้สึกถึงความรับผิดชอบที่เราจะต้องมีต้องทําต่อตัวเราเองต้องมีต้องทําต่อบุคคลที่อยู่รอบข้างของเราต้องมีต้องทําต่อบุสังคมประเทศชาติบ้านเมืองในการที่จะปรับสิ่งที่ไม่ดีให้มันดีปรับใจของเราที่มีความพยศความเสพผิดดิ้นรนอาจจะมีแบบจี๊จ๊าปรีปรานาดาทอทําสิ่งที่ไม่ถูกผิดมรรคผิดผลทําไปผิดทางเบี่ยดเบียนคนอื่นทางกายวาจาหรือใจบ้าง เราก็แก้ไขสัแก้ไขจากสิ่งที่ไม่ดีให้ดีคุณต้องมีความกล้านะคุณต้องมีความห้าวหาญนะคุณต้องมีความเข้มแข็งนะคุณต้องมีพลังนะความกล้าความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีพลังอย่างที่ผู้นํำก็เรามีอย่างที่ผู้นํำก็เราพาดําเนินไปเราตามทางนี้ไปเราจะพบถึงที่หมายที่ปลอดภัยเป็นความสุขความเจริญความดีงามแห่งจิตเป็นสิ่งที่จะพาเราพ้นจากความทุกข์ได้ พนจากห่วงถูกได้ให้เรามีความกล้าหาญนะเพื่อบางครั้งบางทีมานมันก็ไม่ได้มาเองเหมือนก็ส่งลูกสมุนของมันมาเหมือนที่ลูกสมุนของมันก็ไม่ได้มาหรอกเหมือนก็วางกับดักเอาไว้เราฉลาดพอในการที่จะเห็นกับดักนั้นหรือไม่เห็นแล้วคุณกล้าในการที่จะเขี่มันทิ้งไปไหมแล้วเดินไปในทางที่ตรงเดินไปในทางที่ถูกเป็นทางที่จะพาไปสู่ในความดีงามทางนั้นคืออริยมรรอยองแ เห็นสิ่งที่มันไม่ดีมันไม่ถูกต้องดูฝังเราแก้ไขจิตของเราให้ถูกต้องเห็นความประยชน์ความเสียผิดดิ้นรนในจิตของเราเราทําทจิตให้ใหม่เราทําจิตใหม่ให้มันดีให้มันถูกทําจิตใหม่แล้วตั้งอยู่ในทางทางนี้แหละเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพาดําเนินไปเป็นทางที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆก็พาไปทางนี้สมันะโคดมพระพุทธเจ้าเรามาเจอตามทางนี้เห็นเป็นเมืองเก่าเป็นทางเก่า ไปตามทางมีคูเมืองมีสะน้ำอะไรต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาให้เป็นเมืองเป็นช่องทางที่จะพาเดินไปได้ไม่ใช่ทุกคนจะไปได้ตามฟังไม่ใช่ทุกคนจะมีความกล้ามีเกียรติมีความเข้มแข็งพอที่จะไปได้ในสมัยปัจจุบันนี้เป็นสมัยที่บางทีมีแค่กลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นแหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถึงจะมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้ ส่วมบางคนต่อให้ได้เห็นต่อให้ไม่ได้ยินเขาก็มาไม่ได้เขาก็ไปไม่ได้เขาจะต้องจมปลักอยู่ในทางเดิมๆแม้ในสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่ได้หวังที่จะบุคคลเหล่านั้นไปอันนั้นก็ต้องปล่อยให้เข้าไปตามทางของเขาไปสู่ที่ไหนก็ไม่รู้ละ่ะก็ขอให้เขาเป็นสุขเป็นสุขแต่บุคคลที่จะไปในทางนี้ไปสู่ทางที่พระเจ้าของเราพาดําเนินไว้แน่นอนท่านฟังคุณจะพ้นจากความทุกข์แน่ เป็นทางที่บุคคลที่มีชาติอาชาในเขาเดินทางไปคนกระจอกไม่ไปทางนี้คนกระจอกไปทางต่ำคนที่มีชาติอาชาในเป็นบุคคลที่ฝึกได้เป็นบุคลบคลที่บอกสอนได้ไม่ต้องใช้อาจญาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ใช้ความกล้าหาญความเข้มแข็งความห้าวหาญความมีกำลังความมีพลังของจิตของเราในการที่จะทรงอยู่ในความดีให้ได้สิ่งใดไม่ดีเราแก้ไขปรับปรุงตัวเอง ทำไม่ถูกทำไม่ดีบางทีมันมีความเสียผิดดิ้นรนความพยศความเปรตร้อนอา้าวปรับปรุงแก้ไขนั่งตั้งสติใหม่และบุคคลที่ปฏิวัติตัวเองในลนักษณะนี้เดินตามทางมั่ง8แก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองได้และมีความกล้าในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแป ล, ปลงจิตของตัวเองไปจนถึงที่สุดแล้วนี่คุณจะเรียกว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งในกองทัพธรรมหรือว่าเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาค บุรูปานั้นมีบุตรตั้งพันมีความกล้าหาญมีความห้าวหาญมีความเข้มแข็งมีกําลังมีพลังเป็นบุตรตั้งพันบุตรเหล่านี้ก็คือพระอรหันต์นั่นเองเป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเป็นบุตรที่เกิดจากโอสถของพระผู้มีพระภาคเป็นหนึ่งในกองทัพธรรมเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะสามารถที่จะหมุนตามธรรมจักรหมุนตามจักรคือธรรมอันประเสริฐที่พระผู้มีพระภาคหมุนเอาไว้แล้วปฏิวัติเอาไว้แล้ว ไม่สามารถที่จะบุญกลับได้เป็นอาณาจักรที่มีพระเจ้าจักรพรรดิคือธรรมราชาเป็นผู้ปกครองปกครองโดยธรรมยังสา ว, วกผู้เดินตามทั้งหลายให้อยู่ในธรรมได้ด้วยความสงบความร่มเย็นความเป็นสุขไม่ต้องใช้อาจายาไม่ต้องใช้ศาสตราแต่ใช้การที่พูดเอาสั่งสอนเอาบอกกรนวทา ด, ดีมีความกล้าในจิตของแต่ละคน ทำความรู้ความเห็นความแจมแจ้งให้เกิดขึ้นได้ว่าสิ่งที่ถ้าเราละออกไปแล้วมันจะดีขึ้นทําชีวิตของเราให้ดีขึ้นนั้นคือตันหามีความรู้ความแจมแจ้งในเรื่องของสิ่งที่มากระทบภาษาต่างๆว่ามันคือความทุกข์มีความรู้ความแจมแจ้งว่าสิ่งที่เราต้องทําให้มากส่งให้มากคือเรื่องของอริยามรรคมีองค์แรู้แล้วทําแล้วปฏิบัติแล้วอย่างนี้ดีมากจนผูกฝังแล้วอย่าไปคิดต้านเลยมันต้านไม่ได้ คนชั่วต้านไม่ได้คนชั่วต้านความดีไม่ได้คนดีไปทางดีมีแต่จะไปที่สูงคนชั่วคิดว่าจะต้านความดีไปได้แต่เขา ก, กลับต่ำลงเพราะความดีนั้นเป็นสิ่งที่ต้านทานให้หมุนกลับไม่ได้ปฏิวัติไม่ได้ปฏิวัติซ้ำไม่ได้ปฏิวัติมมตคืนไม่ได้เป็นจักคือธรรมอันประเสริฐที่ไม่สามารถที่จะต้านทานให้หมุนกลับได้ อนุตรังธรรมะจักรังอปติวัติยังโสรเลมบอน